วันนี้เป็นวันที่6กธันวาคมพุทธศักราช2558เมื่อวานเป็นวันที่หเป็นวันสําคัญยิ่งของชาติไทยเพราะประเทศชาติกําหนดวันที่หเป็นวันพ่อแห่งชาติเป็นวันประสูตดและเป็นวันที่เข้าใจง่ายก็คือเป็นวันเกิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว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 พระตัวเองจะทำความชั่วพอจะทำความชั่วคนอื่นเขาไม่ขไม่ร่วมด้วยตัวเองก็ไม่พอใจขัดขวางผลในสก็แสดงตัวว่าเป็นไข้พระสวามีเขามาถามเป็นไงว่าเป็นไข้ทำไมทาไมไม่สบายเรื่องอะไรนี่แหละลูกชา ย, ยที่ทั้งที่ฉันหนูไม่ต้องการ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 ในกรุงพาร า, าศสีก็เดินป่าดงเข้าไปไปพบลือศีไปพบลือศีก็ถามลือศีท่านมาจากไหนหน้าต า, ารู้สึกว่าเป็นนมหล่ออีกต่างหากลือศีก็บอกว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเป็นดินพ ม, มทัตที่พระบิดาลงโทษข้าพระเจ้าโยนลงหน้าผาแต่ข้าพระเจ้าไม่ตายาด้วยบุญกุศลคุ้มครองข้าพระเจ้าก็ไปอยู่นั่นแ่ะ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 ในเมื่อทําลงไปแล้วคิดว่าเขาไม่รู้ว่าตัวเองฉลาดแต่เมื่อกำชั่วเปิดเผยขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละตนเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะนั้นอย่าไปทําชยดีกว่านนในพวกเราทุกถูกฐานนะที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวได้นําหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกกล่าวมาให้แนะนําชี้แนะ